ต้อค่า้องอวัยวะทุกอย่างจะต้องสื่อมไปเสียไปเราต้องดูมันพับเสื่อม ด, ดูคนนั้นไม่เห็นต้องดูข่าดูหนวดดูตาดูดายาวข้างมันมันจะต้องเติต้หวง้นี่เหม่ยึงดูรูปนอถ้าดูรูปนก็นเข้าไปคิกเข้าไปว่า ทั to to ้งข้างร่างตายของหญิงชายทั่วโลกมต้อบพูดถึงคนอื่นตัวเราเองตองนี้กันมีอะไรมันสวยมันงามที่ว่าไหลออกจากตายนี้จนที่หน้าดูหน้าคมจนที่หน้าจุกหน้าท้องจนที่หน้าระหน้ายินดีไหลออกมาถาวนไปเพราะตัวหยดขี้ตรงนั้นพอบนที๋ตะพอยังมีขี้ไม่ว่า สฐานที่ใดๆไหลออกมาจากมนุษย์จากตัวบุกคลเป็นของสดปลาปลวกแห่งนั้นพระอะไรจึงเป็นอย่างเพราะต้นของสดปลาปลวกเสียวข้าที่เราหนุเราห่กสะบอกจีวอนที่เรา้ายใสยกันมีการตัดทออยู่บ่อยบ่อยถ้าหากเราเก็เอาไว้ในตู่ในหีบของนั้นจะยังมีความสดสวยวัดเนีีเรามาชากัน มาสี่วันมาครับดูฝ่อจับว่าคุณละอองหรือของสปปกระกบมันออกจากเนื้อจากตาไปตินิ้วปินเนื้สาเนือขงกันชินถ้าหนูราบ ม, มัน เ, านเกเากปปกกมันเป็นใหญ่นะอาจถ้าตัวงานงานกว่าเราตกตะกบตัวโกไปยิ่งไม่รักษามันไหลออกมาใหญ่งน่าลายในมุกของเรา้าจไปตกไปหล่น ไปที่นม่งี่นแล้วก็แงเรติในขาพระดกกอยูในตาของเราบาทีเราต้าดื่เข้าไปไ้กับพระอาสายตาเราเหมอนสายตาเราเห็นแล้มันไม่น่าดูทางนั้นในใจว่ามันเป็นของสวยมันเป็นของงามอะไรอ้นคิดพิจารณาดูคนอื่นเขาละก็เหมือนกันกับเรา ถ้าเขากินของตกตะกบเข้าไปทุกวันทุกเวลาถ้าหากในการกินของตกตะกใอย่างน้นาตุแข็งก็ตั้งอยู่ไม่ได้จะต้องแตกถลายไปร่างกายจึงเป็นของตกตะกจิตใจเมื่อที่จิตเมื่ที่เจรณาของตกตะกจิตใจก็ต้องมีวันมีเวลาสมีวันมีเวลาเติบโตมีวันมีเวลาเยื่อเหวนุ้นตั้กับเราอุ่นเอาปุ๋ยใส่ตนไหม ถึงของนั้นจะเป็นของกดๆกัวข้อขว่าตางเมื่อใส่ลงไปนันเป็นอาหารของคนนะก็ะนั้ น, น, นตัใหญ่กิงทุกวันก็คเอนะกระเรียนสินจนทรงได้ออกผลอันในควรสี่นิตเจรณ า, า, าอาศัคาอาศังภายในตาทของเราจิตเจรณาแยกทายเข้าไปเท่าไรจิตใจก็ยยกมีคามสุขความกระรนมีควาเบื่อายทายสนั่ เ้าถึงติสติดของท้งองนเดี๋ยวนั้นพระพุทธเจ้าแผ่นจึงสอนไอ้ที่นี้คือเจรนาหาตามคิ้นยาไปติดเอาไงี่ยเทิร์นเอาไงง่ยหลงเอาไงาไง่ยไอที่เจรนาไอ้เหมือนตามคามเป็นจริงทั้งนั้นเสียงก็เหมือนกันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนี่เ่าไหรมันก็ตัางอยู่ตลอดจับตลอดปั่นอย่าไแไรเราหวาไปหลงมันไอที่เจรนะ ให้ทั through, so, sleep, ่วให้ถึงางลหนเาริทัวถึงจะเป้หลงเอาตามเงื่อนทขหลอกลวงของเื่อนของสัญแาของมันมันก็ติดก่อข้องก่อหลงใหญ่ๆนะเมื่อมีวันมีเวลาที่จะเป้ถึงจุดหมายปลายทางได้เนื้อใจกับคนหลงฝากจะรู้ว่าบ้านช่องจะอยู่สถานที่ใดคนหลงว่าเวลาลับการลำบากใจลำบากใจ พระในมือที่อยู่ที่อาศัยที่จะกินแต่นอยมันลําบากในรู้ว่าจะต้องปลูกตัดร้าอย่างไรจัดตายในสถานที่ใดล็อกจุดใจก็ปันญ่วนปวดร้อนธรรมดาหลงเป็นอย่างนั้นคนคือหลงอยู่ในโลกก็เหมือนกันไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งจะมีความสุขหลงไปเท่าไรก็ยิดงพุ่งไปเท่านั้นไม่มีวัน ม, มีเวลา คือจะไปติดงตุ่มาจายทางนะ้รับผพ้ใตเจ้าขันมีตาเนตตาแนะนำค่ามสอนพวกเราอยากจะให้พวกเราเข้าใจรู้เรื่องของขับเพราะทำเป็นของแปลกเกิดนิเสตอย่างนี้ผู้ใดมาที่นิพพิจารณาจิตใจณวันณเวลาคือจะสดเข้ามาหาตัวของตัวจึงคือใช่ตุุ่ว่าในตุ่มจึงคือใช่ คเครงก็ไห่คุดหม่อยุงมีควานสงบมีทวานเย็นเย็นมีท่านสบายมีทวามเบาคนเรายิ่งเป็นเจ้าคิดเจ้รุงมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งเป็นผู้ลาบากหากคิดไปในทางผิดผิ่หากคิดเสื่อมทรนตหากคิดเสื่อมพ้นเสื่อมใส่เม่ว่าปัญญา ทำให้จิตใจเกิดความสว่างไสวท่านให้จิตใจเกิดความรู้ความสะอาดทุกวันทุกเวลามีทำเป็นข้อดีมีทำเป็นเสี่งยับยั้งมีทำเป็นเรื่องห้างเรื่องความขั่วต่างๆนี่แหละทำทำสั่งสอนสองพระสุรไกจ้าสืบพวกเราทุกท่านมีแต่พยายาม ชากันแบบิึดสติแบบจงมันนึก ม, มันคิดมีสติปต่จำสติของตนมีปัญญาแนะสอนตนอยาไปจุดไปข้อในที่เหลือปัญหาเอาไงเนี่ยได้ขาดสาติขาดปัญญาถึงมันอยากคิดอยากจงอยากพูดอยากทำในส่วนแบบนั้นก็ให้มี ขันติคือความอดคนเอาไว้เพราะส่วนหลนั้นเป็นส่วนขั่วเป็นส่วนที่ไม่ดีเมื่อเราไปแตะต้องไปจับเขา้าก็เหมือนกันกับจับไฟถ้าหากเราไม่จับนั่นก็ไม่ไม้นั่นก็ไม่เผาเหมือนกันกับคนที่อยู่ในวัดหากในมืส่วนใดเป็นอาละหน้าที่ ไรนะเลีสวนไม่มีลูกเมียไม่มีการทุดยากลําบากกับไรนะก็ไม่มีทุกข์ยากลําบากกับลูกกับเมียก็ไม่มีอยู่สะดวกอยู่สบายไม่ได้มีการลําบากรับอุปครอในส่วนไหนนะยิ่งละได้เท่าไหร่ก็ยิ่งเบายิ่งส บ, บายไปเท่านั้นกวกคือเป็นพระเน ดีในศาสนาหามีปัญญาแนะนำนไม่ให้สู้ให้คิดไม่ให้คิดให้ค่องในรูปเสียงเรื่องราต่างๆจึงโลกผู้ที่าำาลามกเขาติดกันเขาก็สังเระเสือเขาก็อปากขาว่าเพรดีกว่าเขาเขาจึงป่าจึงว่าเขาจึงสกปรบูชาฆ่างอนเขาอย่านเขา วางไปตะกุกตั้วไปรักไปสมุนหรือไปอีล <c oughs> ูกมีเนื้อกัรทอดเขาจะว่าอย่างไรเขาจะยินดีเยินใสนำอาหารมาให้นำท่าผ่อนท่อนสบายนำบู้ช้างปูบ้านช่องเห่ไหมทุกนเชีงยงแถวนี้กับเขาได้ว่าูดอยู่ในศาสนาจนะยูดที่นี้สุขภาพ เจนผู้ที่มีสารประโยชน์เจนผู้ที่มีคุณนักธรสูงกว่าคาราวดเขาหากเราไปถือข้าจะเป็นท้องหยุดท้องดีกล่อเหมือนกันกับเราหลงเสือผีคือติดตามทางขั่วติดในวยอยู่สุดไปสุดไปข้องแต่ที่นี้ที่เจรณาเราลูกสวยเสียงอะไรอย่างนั้นอย่าง ยังาสะดวกเปิดเผสะดวกสบายอย่างนั้นอย่างเราทำชิดของเจบของเองผูกเจบของมักเจ็ของ้เจ็ของตาจะไปใส่ได้ใต้ถุตัมมะของพระพุทธเจ้าหน่อยก็เจบของปุจของติเจของติเจ็ของทำายตัวเองนักภาวนา ถาที่สื่อสารมาแนนจึงควรระวังสังวรรักษาให้เป็นผู้มีปัจจุระวังศิลมีปัญญาแมสอนให้มีตามอดให้มีตามทนให้มีตามผ้าตามเทียนให้พยายามตามโอวาทของพระพุทธเจ้าอย่าจะเอาเรื่องที่เหลือปัญหาของตัวมาเป็นศาสตร์ศาสตร์อาหาผู้ใดรักษาผู้ใดระวังผู้ใดสังวร พูได้ครับตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดนั้นจะมีวันมีเวลาจะเริยนก้าวหน้าเบาสบายสงบเยือกเย็นผลที่สุดมีเหนืยดที่ลอยเป็นลอยหุ่นลอยติดลอคล้องในติในใจก็จะมีวันหรุดวันเบาวันสบายวันค้นใจจากส่วนหล่านั้นโลกเป็นอย่างไรเห็นแต่จับพัดใจ ในโลกแต่ในจิตในโลกอยู่ในโลกแต่ในเป็นอย่างโลกครับจิตใจของเราเบาจิตใจของเราสบายจิตใจของเราผ่อนจิตใจของเราหลุดจากสิ่งต่อพวนเกี่ยวข้องในเหมือนแต่ก่อนที่เราไม่ได้แตะทิศตะวัตกเลยสะดวกเลยสบายเลยเรียบเลยเย็นเลย เห็นเลรู้เารพสาตได้พระพุทธรรมพระริยสงฆ์อย่างสนิทใจเพราะท่านแนะทนสอนอย่างไรเราป็บัติปฏิบัติไปตามคำแนะสอนของท่านจนคลองดียิ่ดประเยชน์นะเราในโดยอาศัยครูบาอาจารย์ในแต่อาศัยกำหลับตำลเรามีพระศาสดา อุบัติขึ้นในโลกเราก็เลยจะติดัดขอ้อมจะทุกข์ร้อนอยู่ตลอดตัดประวันิในมีวันมีเวลาที่จะมีความส่่งตาเบาสบายทางจิตทางใจได้มีการปฏิบัติของภิสุสา ม, มาเณรนิ่งเป็นสมถานอยู่แล้วถ้าหากมองข้ามปติมองข้ามปัญญามอง การอดการท น, านาการขาดการเคีื่อนลอยตระเวน เ, เปิดเผยลอยลงไปตามอำ น, นาจของคุณเหตุการณ์ก็ได้ชื่อว่าเป็นโมฆะสำหรับผู้ศรสามนุษคนหนึ่งคำคำสั่งสอนจะมีดีเด่นประเยชที่เสียสักเท่าไหร่ก็ไม่เปนของมีคุณค่าราคาสําหรับคนที่ปล่อยจิตใจตามคุณเหตุการณ เหตุนั้นพวกเราท่านที่ได้เข้ามาอบรมศึกษาได้เข้ามาเป็นพรงที่สุสามเณรจงทากันพยันหมั่นเพียนอดทนมีสติมีปัญญาแนะสอนตนเสมอมือไปยาสัตว่แสวงทาเดินไปดินทะบาทก็ให้ระวังสังวรรักษาจิตใจข้างคนกลับเข้ามาครบร้อก็ให้ ที่นี่ที่จะเลยนะอยู่สมัเนเสมอไปจิตใจที่ตรงุงคิดไปในทางผิดรีดตัดเตือนตัวท่องตัวด้วยปัญญากว่าทางนี้พราาตะตถาสดารงห้าเราไม่ใส่เอาเทวทัตเป็นาศาตสาศาตาเอาก็ะพุทธเจ้าเราอยู่เรากินเราขบเราขันเรานุ่งเราผ่มได้มาโดยอาศาัยธรรมะได้มาโดยอาศัยของจากพระพุทธเจ้าทางนั้น เราจะไปเชื่อตามเรื่องที่เหตุกัรหาของเราเราจะตายใปป่าเมื่อเราสอนเมื่อเราสอนเราอย่างไรไม่ให้ไปคิดได้สิ่งที่คิดคิดแต่งแกในลเรื่องที่ผูกผูกพระพุทธเ จ, จ้าทรงแนะนและช่วบบำเพ็ญดีเามีคูณจิตใจของกวกเราท่านก่อจะเป็นจิตใจที่ใสเสก จะเป็จิตใจที่โลดลอยไม่เป็นจิตใจที่สัณห า, าลามไม่เป็นจิตใจที่เดือดร้อนหุนหวายเป็นจิตใจที่สงบเป็นจิตใจที่เยเือกเยนเป็นจิตใจที่สว่างสวยเป็นจิตใจที่น่าปฏิารน่าบูชาเพราะการปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้า เงิของปล่อยเสร็อย่างนั้นโดยมีหลายท่านหลายองค์ที่เป็นตักขีพยานได้ตัดพฤติปฏิบัติแต่รับความสุขความสบายมาแล้วนับไม่ควรเพราะตัดพฤติปฏิบัติตามคำคาสั่งสองสองพระพุทธเจ้าเราหากตั้งหน้าต่างๆประดพฤติปฏิบัติอย่างท่านที่ตัดพฤติปฏิบัติมา เราจะมาเข้าถึงความสุขความเจริญความสงบเยือกเย็นอย่างไรนี่เราเชื่อตามเรื่องของกิเหลสปัญหาตามเรื่องฝ่ายอวิชาอุปาทาตามเรื่องฝ่ายกรับเราจึงมีจิตมืดดำมีจิตเดือดร้อนมีจิตปุนมัวมีจิตเศ้าหมองเดือดนั้น ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ไส่สอนคนอื่นสอนเราผู้เป็นนักศึกษาให้ตั้งหน้าตั้งๆาปฏิบัติบำเพ็ญสิ่งใดที่มันขัดข้องในจิตในใจให้มันําละต่างอย่าไปคิดไปปรุงทางต่างมันสอนคนท่้งคนสมันเสมอมีตรีมีปัญญาเนื้สอนตัวมีสมันเสมอไปคิดใจจิตค่อชั่วคอยจะดีเน คุกเก่าคุกโนอาคขมควรจะตายเป็นธรรมสิ่งเนี่ยฉะนั้นขอทุกท่านจงพาตันหมนั่นคิดพิจารณามีสติมีปัญญามีความอดทนอย่าไปเชื่องมงายตามเรื่องของขีดตันขามหาทุกท่านมีการชำระขั่วบำเพ็ญดีอย่างนั้นเราจะพาตันขอศพ ราีรักษาใจและบุญกุศลทั้งหลายจงตามรักษาปกติไห่มีความปิติายสุดใจปรารถนาจิงใจขอจงสำเร็จรตามความเมหตาปรารถนาผูกประการเอโออ